สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีนะคะวันนี้บีมีเรื่องเล่าจากทางด้านของแฟนเพจมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะคะโดยทางด้านของสมาชิกบนแฟนเพจ facebook นะคะพระเจอผีใช้ชื่อ facebook ว่านัทวันนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บีฝนมีเรื่องที่พบเจอมากับตัวน้องสาวคนเล็กแล้วก็ฝนนะคะก็คืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันมาเล่าให้ฟังค่ะ คือเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังครอบครัวของคุณฝนเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกาเนิดนะคะทั้งบ้านก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5คนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะซึ่งคุณฝนซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นลูกคนที่สองของพ่อกับแม่ครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนพอสมควรละค่ะหาเช้ากินขําแต่ว่าก็อบอุ่นนะคะซึ่งพ่อก็จะเป็นช่างซ่อมรถพวกรถไถนา ทีวีสมัยก่อนวิทยุเอ่ยอะไรงนี้ซึ่งพอที่พ่อจะซ่อมได้แล้วพ่อก็จะได้ฉายานะีะ่ว่าช่างทองซ่อมได้ในเขตบ้านถ้าเอ่ยชื่อช่างทองไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะเรื่องมีอยู่นะคะว่าพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพค่ะ แล้วก็มีผู้ชายมาติดพันน้องสาวคนเล็กคุณฝนลืมบอกไปนี่ยว่าพี่สาวคนโตนี่ชื่อมนน้องสาวคนเล็กนี่ชื่อกุ้งนะคะแล้วก็คุณฝนเนี่ยเป็นคนกลางด้วยความที่น้องสาวคนเล็กเนี่ยคนที่ชื่อกุ้งเนี่ยเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีในบรรดาพี่น้องที่มีอยู่3ามคนนะคะคือลูกสาวหมดเลยบ้านหลังนี้แล้วก็มีคนมาจีบเยอะ แล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะมีท่าทางว่าจะชอบพอกันกับน้องสาวคนเล็กของคุณฝนมากถึงขั้นเอาผู้ใหญ่มาพูดมาคุยมาเจราจาสู่ขอแต่ว่าตอนนั้นนะคะน้องกุ้งซึ่งเป็นคนเล็กเนี่ยอายุเพิ่งจะ15ปีเองแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้ด้วยพอคุยกันเสร็จตกลงไม่เอาไม่แต่งซึ่งผู้ชายก็ผิดหวังแล้วค่ะผิดหวังไปอีก แต่ว่าเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งผ่านไปผู้ชายคนนั้นก็หายหน้าหายตาไปแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็มีอาการซึมซึมหวาดกลัวบอกพี่สาวว่ากลัวนะคะแต่ไม่บอกว่ากลัวอะไรแล้วเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยพี่สาวแล้วก็พี่เขยออกไปทำงานตามปกตินะคะซึ่งวันนั้นคุณกุ้งก็คือน้องสาวคนเล็กเนี่ยไม่ได้ออกไปทำงานให้เหตุผลนะคะว่าปวดท้อง ก็เลยออกไปทำงานไม่ไหวนะคะซึ่งคนที่เป็นพี่คนโตเนี่ยก็สังเกตดูอยู่ว่าเอ๊มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องจำใจออกไปทำงานล้ค่ะเป็นห่วงน้องก็ต้องเป็นห่วงเหมือนกันก็เลยให้เงินน้องไว้500บาทนะคะแต่ก็คิดว่าพักเบรก ค, ค่อยกลับมาดูน้องทีนี้พอถึงเวลาเบรกจริงๆคุณผู้ฟังพี่สาวกลับเข้ามาที่แคมป์คนงานก่อสร้าง ไม่พบตัวน้องสาวก็คือคุณกุ้งค่ะแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วนของน้องนี่หายไปพี่สาวก็รู้สึกกระวนกระวายใจไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนพอน้องสาวหายไปพ่อกับแม่เนี่ยจะต้องต่อว่าแน่ๆเลย พี่สาวก็เลยไปถามรอปรพอค่ะบอกว่าเห็นน้องไหมรอปรพอก็เลยบอกว่าเห็นถือกระเป๋าออกไปได้สักพักนึงละซึ่งเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนเรียกแท็กซี่ให้เองพี่สาวไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะก็เลยโทรไปบอกพ่อกับแม่ว่าน้องหายไป พอแม่ไม่รอช้าแล้วค่ะรีบไปหาปู่ที่บ้านที่อยู่ใกล้กันคุณปู่เนี่ยเป็นหมอธรรมนะคะซึ่งมีวิชาอาคมพอสมควรคอยรักษาคนเจ็บคนป่วยที่มีอาการผิดปกติทางคุณสัแล้วก็ปู่เนี่ยจะมีกุมารไว้2ตนชื่อจุกกับชื่อฟ้าลั่นซึ่งครอบครัวเนี่ยจะเคารพ บ, บูชาแล้วก็รักน้องจุกกับน้องฟ้าลั่นมากก็ถือว่าเป็นของรักษาที่คอยคุ้มครองนะคะพอคุณปู่ นั่งทางในดูว่าน้องอยู่ที่ไหนปู่ก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่เนี่ยมาเอาน้องไปมีคนใช้ให้มันมาพอพ่อได้ยินเช่นนั้นล้วค่ะโมโหมากเลยถามปู่ด้วยคําหยาบๆว่าคนที่ใช้คนแก่คนนั้นมาเอาเนี่ยมันเป็นใครปู่ก็เลยบอกว่ามันเป็นคนที่มาขอแล้วไม่เอาไม่เอามันเนี่ยก็คือ น่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นแหละนะคะคือปู่พูดออกมาทั้งที่ปู่ก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยขนาดคนเล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคนเล่าเนี่ยได้ย้ายไปมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดชายภูมิแล้วก็ตอนนั้นนะคะเพิ่งจะคลอดลูกได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ปู่ก็นั่งพึมพำท่องคาถาไปสักพักหนึ่งแกก็บอกว่าแกใช้กุมารทองที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปเอาน้องกลับมาแล้วผลก็เป็นเช่นนั้นจริงค่ะแล้วก็มาทราบจากน้องอีกทีหนึ่งนะะว่ามีผู้หญิงแก่มาชวนน้องไปหาผู้ชายคนนั้นน้องบอกว่าเหมือนตกอยู่ในภาวังอะค่ะเหมือนต้องมนคือผู้หญิงแก่คนนั้นบอกให้ทำอะไรน้องคนนี้เนี่ยก็ทาตามโดยไม่มีการขัดขืน แม้กระทั่งคิดจะขัดขืนก็ยังขัดขืนไม่ได้ก็เลยต้องทำตามที่ผู้หญิงแก่คนนั้นเนี่ยบงการไปนะคะ รถแท็กซี่ที่น้องนั่งไปมันไปติดไฟแดงพอดีค่ะอยู่ๆก็มีผู้ชาย2คนคนนึงผิวดําคนนึงผิวขาวคนผิวดำเนี่ยมาเปิดประตูรถแล้วบอกให้น้องลงจากรถแล้วก็บอกให้เอาเงิน500ในกํามือเนี่ยจ่ายค่าแท็กซี่ไปส่วนผู้หญิงแก่คนนั้นพอเห็นคนที่มาเอาน้องลงจากรถก็ถอยกรูดไปจนชิดประตูรถอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนนะคะที่มาเปิดประตูรถที่มาหาน้องสาวตนตอนที่ติดไฟแดงเนี่ย ก็พาน้องสาวเนี่ยไปขึ้นรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งนะคะความเข้าใจของบีเองนะน้องผู้ชายสองคนนี้น่าจะเป็นชื่อจุกกับชื่อฟ้าลั่นนี่แหละนะคะที่มาช่วยน้องกุ้งนะคะเป็นน้องสาวของคุณฝนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อขึ้นแท็กซี่อีกคันนึงแล้วะคะ่ะก็บ่ายหน้ากลับบ้านทันทีเลยคือกลับไปหาพี่สาวนี่แหละนะคะและผู้ชาย2คนนี้ก็หายไปเมื่อเดินทางกลับมาถึง ก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องใครถามอะไรก็ไม่พูดไม่จาได้แต่เงยหน้ามองแล้วก็ทําตาขวางใส่ทุกคนค่ะพี่สาวรีบโทรบอกพ่อบอกว่าน้องได้กลับมาแล้วนะแล้วก็เล่าอาการที่น้องสาวกําลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยให้คุณพ่อฟังพร้อมกับกําชับคุณพ่อนะคะบอกว่าให้พ่อเนี่ยรีบมารับน้องกลับไปอยู่บ้านเธอเพราะว่าดูจากอาการของน้องสาวแล้วเนี่ยคืออาการน้องชักจะไม่ดีนะคะพ่อก็รีบไปหาปู่ค่ะ ว่าน้องกลับมาหาพี่สาวแล้วนะแล้วก็บอกปู่ว่าจะไปรับน้องกลับมาที่บ้านปู่บอกว่าไปรับเลยกูเอาวิชาครอบไปละมันไม่มีฤทธิ์หรอกพ่อก็เลยเหมารถกระบะบจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมารับน้องที่กรุงเทพพอพ่อมาถึงค่ะพ่อก็เข้าไปหาน้องแล้วก็ถามอาการน้องก็ทำตาขวางใส่พ่อพ่อก็ถามอีกวา่าจำพ่อไม่ได้หรออะไรอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องมันมาพีคตรงนี้ค่ะ ตอนที่น้องจะขึ้นรถเพื่อกลับที่จังหวัดเพชรบูณ์น้องตัวเล็กๆบางๆสบัดพ่อกับพี่เขยนี่ปลิวและลิ้วเลยนะคะในขณะที่จะเอาน้องขึ้นรถค่ะพ่อบ่นว่าไนาพ่อบอกว่ามันไม่มีริดแล้วก็คือพูดถึงปู่เนี่ยนะคะเล่นสปลิลเลยและทีนี้เนี่ยคือพี่เขยของฝนก็ได้แต่งงค่ะเก้าหัวแก๊กแ ก, กอยู่สุดท้ายก็เอาขึ้นรถได้อย่างทุลักทุเล น้องจะไม่ยอมขึ้นรถนะตอนแรกพูดอยู่ท่าเดียวค่ะบอกว่ากูไม่ไปกับมึงกูจะเอามันไปด้วยมีขู่ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเอาไปแบบเป็นคนไม่ได้ก็จะเอาไปแบบเป็นผีทีนี้พ่อนี่โมโหมากค่ะแกก็เลยบอกว่าอ่ะถ้ากูไม่คิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของลูกสาวกูนะกูจะเตะสักปาปหนึ่ง พ่อขึ้นรถได้ค่ะพ่อกับพี่เขยก็นั่งประกบกันคนละข้างน้องก็ได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเลยกลับมาถึงเพชรบูรณ์เกือบสว่างนะคะพอถึงบ้านค่ะปู่ก็ลงมาจากบ้านมาดูน้องสาวแล้วก็ถามว่าเป็นไงมึงปู่ก็หันเดินกลับเข้าบ้านไปเวลานอนทุกคนมีพ่อมีแม่พี่สาวพี่เขยแล้วก็ตัวงคุณฝนเองนอนล้อมน้องไว้เผื่อเวลาที่น้องลุกขึ้นทุกคนจะได้ยินเสียง แล้วมารยาหญิงแก่ในร่างของน้องเนี่ยหลอกให้ทุกคนตายใจแล้วค่ะว่าตัวน้องเนี่ยหลับแล้วพอทุกคนเผลอน้องลุกขึ้นวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาเลยนะคะทุกคนก็ต้องวิ่งไล่จับน้องให้กลับมาตอนนั้นเนี่ยคุณฝนก็เลี้ยงลูกอยู่ซึ่งลูกคุณฝนเองก็ยังเล็กต้องทิ้งลูกไว้แล้วก็วิ่งไปจับน้องกลับมา สงสารก็แต่แม่แหละนะคะเห็นสภาพตอนนั้นแม่นี่ร้องไห้เลยล่ะคะ่ะคุณฝนก็ได้แต่ปลอบคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวน้องก็หายแต่ว่าปู่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะวันหนึ่งก็แล้ว2วันก็แล้วจนวันที่สทุกคนก็เริ่มเหนื่อยเนื่องจากว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันไม่มีใครกล้าเข้านอนเพราะว่ากลัวเนี่ยน้องวิ่งหนีจนวันที่3ค่ะดูน้องอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าไม่ได้กินอะไรเลยพอมาวันนี้ ปู่ก็เริ่มที่จะเดินไปจับตัวน้องบ้างเดินไปถามบ้างปู่ก็เดินเข้าไปใกล้ๆน้องน้องเองก็จะหลบตาคุณปู่นะคะแล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อกำลังกินข้าวเย็นอยู่คุณย่า ก็ได้มาที่บ้านแล้วก็เข้าไปกอดไปหอมน้องนะคะของที่อยู่ในร่างกายมันก็เริ่มแสดงอาการแล้วค่ะต่อรองเพื่อจะเอาน้องไปเห็นน้องมีอาการเช่นนั้นคุณฝนแล้วก็พี่สาวก็พากันวางวางช้อนวางซ่อมวางอะไรคือกําลังกินข้าวกันอยู่แล้วก็เตรียมตัวนะคะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นคุณยา่ยาก็ยังไม่เลิกถามถามอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณฝนคิดแล้วก็พี่สาวคิดเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าเกิดอาการที่มันไม่ดีขึ้นคุณปู่ก็เลยเข้ามาขวางก่อนนะคะแล้วก็สั่งให้ทุกคนนี่เตรียมของทําพิธีต่อไปคุณปู่นี่สู้กับสิ่งที่อยู่ในตัวน้องอยู่ร่วมกว่าร่วมชั่วโมงเลยนะกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่จะออกปู่ก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหมือนกันแกบอกว่าที่ไม่ทําอะไรก็ตั้งแต่วันแรกหรือว่า2วันแรกก็เพราะว่าอยากให้เขากลับเองโดยที่ไม่ต้องใช้วิชาบังคับเพราะว่ามันบาป ตราบตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็8ปีแล้วนะคะทุกวันนี้น้องก็แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จากไปอย่างหมดห่วงทั้งคู่แล้วนะคะอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าลูกทั้งสามคนเนี่ยก็ยังรักกันดีแล้วก็จะดูแลน้องไม่ต้องห่วงผิดพลาดประการใดขออภัยพี่บีด้วยนะคะขอบพระคุณคุณนัทวันมากนะคะกับเรื่องที่กรุณาส่งเข้ามาเล่าให้เราได้รับฟังกันนะคะ เรื่องต่อไปค่ะถูกส่งเข้ามาทาง Facebook พระเจอผีเช่นกันนะคะทีนี้เป็นฝั่งของผู้ชายกันบ้าง Facebook จากคุณธนากรค่ะบอกว่าสวัสดีครับแอดมินผมมีเรื่องจะฝากมาให้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันด้วยนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องจริงเกิดขึ้นกับน้าที่อยู่บ้านติดกันกันกบผมเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี2547เมื่อตอนเกิดสึนามินะครับสมมุติว่านะ้าแกชื่อว่านาแดงก็แล้วกันนาแดงเนี่ยแกทํางาน เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพอรเนียคะเมื่อเกิดสึนามิแล้วนี่ทางหน่วยงานของแกก็จะมีการลงไปช่วยเหลือจังหวัดที่โดนสึนามิซึ่งคุณธนากรไม่ขอกล่าวดีกว่าว่าเป็นจังหวัดอะไรบ้างเมื่อแกลงไปวันแรกนะคะวันที่สอง แกอยู่ๆแกก็เริ่มมีไข้โดยที่ก่อนหน้านี้ยังปกติดีอยู่นะแกก็ขออนุญาตทางหัวหน้าเนี่ยลา ก, กลับบ้านก่อนเนื่องจากว่าแกรู้สึกว่าเริ่มจะมีไข้สูงที่ที่แกไปนี่มันห่างจากบ้านประมาณ200กว่ากิโลเมตรได้นะคะแต่ว่าเดชะบุญค่ะที่แกยังขับรถกลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านนอนพักผ่อนกินยาแก้อาการไข้ก็ไม่ทุเลาลงแถมยังหนักขึ้นไปกว่าเดิมด้วย ทางบ้านก็เลยนำแกไปส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้แกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดูอาการอยู่หลายวันเลยทางโรงพยาบาลก็บอกกับครอบครัวว่าเอ้ตรวจไม่พบอะไรในร่างกายนะร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีอยู่แต่กลับกันค่ะน้าแดงเนี่ยกลับนอนสลืมสลืเหมือนคนที่มีอาการโคมา่าและเมื่อน้าแดงกลับมาถึงบ้านนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เหมือนอาการของคนป่วยเลยค่ะอยากกินนู่นอยากกินนี่แต่ว่าพอตกดึกนะ ลุกขึ้นมานั่งกินได้อย่างสบายๆเหมือนกับคนปกติเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณแม่ของคุณธนากรเนี่ยไปเยี่ยมแกอยู่ที่โรงพยาบาลคุณธนากรไม่ได้ไปด้วยนะคะแต่ว่าแม่เนี่ยเล่าให้ฟังแม่บอกว่าซื้อของโปรดของแกเนี่ยไปให้คือพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งพวกขนมถั่วปากอ้าพอไปถึงหาแกก็นอนอยู่บนเตียงแม่ก็นําของไปให้ แต่พอเห็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะโยนทิ้งแล้วก็หันมามองแม่แบบตาขวางแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่แน่แดงที่แม่สนิทเหมือนกับญาติพี่น้องทั่วไปแล้วล่ะ แม่ก็เลยเรียกแฟนของหน้าแดงเนี่ยออกไปคุยด้านนอกแม่บอกว่าหนาแดงอาจจะโดนแฝงมาหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ที่แกไปเนี่ยมันก็มีผู้เสียชีวิตอยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่าแฟนของหน้าแดงค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แกก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปหนักขึ้นนะคะหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคฉีหนูบ้างเป็นโรคไข้เลือดออกบ้างซึ่งตอนนั้นร่างกายหนแดงนี่พร้อมนะคะแบบว่าหนังหุ้มกระดูก แต่ว่าพอตกกลางคืนค่ะกลับลุกขึ้นมานั่งกินอย่างคนปกติสุดท้ายแล้วแฟนแกก็เลยโทรมาหาคุณแม่ของคุณธนากรเนี่ยแล้วก็บอกว่าแกกลัวกลัวน้แดงเพราะว่าน้าแดงเนี่ยเพ้อถึงใครต่อใครที่แกไม่รู้จักแม่ก็เลยบอกกับแฟนของหน้าแดงบอกว่าออาลองไปให้พวกหมอพวกร่างทรงดูสักนิดนึงก็ดีนะไม่ได้เสียหายอะไรทางบ้านของคุณตาคุณธนากรเนี่ย ซึ่งเป็นร่างทรงนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยทางบ้านเชื่อร้อเอซ็อยู่แล้วเพราะว่าเคยเห็นมาเยอะคุณแม่ก็เลยขอวันเดือนปีเกิดของหน้าแดงนะคะแฟนหแดงก็ให้มาก็เลยพาไปให้ร่างทรงเนี่ยดูร่างทรงบอกว่ามันมีผีคนที่ท้องอยู่นะคือแอบแฝงหน้าแดงค่ะจากที่แกไปเคลียร์พื้นที่ที่โดนสูนามิถล่มนี่แหละเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนบวกกับหแดงช่วงนั้นเนี่ยคือดวงตกอยู่พอดีพอดีเลย ร่างทรงก็เลยบอกว่ า, าเขาแฝงมาเพื่ออยากจะกินพวกมะม่วงน้ำปลาหวานใส่กุ้งแห้งเยอะๆคือเขาเป็นอิสลามนะคะทีนี้พอร่างทรงบอ ก, ออ ค, ก, กอคุณธนากรก็เลยนึกขึ้นได้นะฮะว่าแม่เนี่ยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไปให้ทำไมเขาถึงโยนทิ้งแล้วก็หันหันหน้ามาทำตาขวางใส่แม่สุดท้ายแกก็เลยไปซื้อพวก เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารที่มันไม่มีหมูเนี่ยนะคะเหมือนกับคนมุสลิมทั่วไปที่เขากินกันกินมู ม, มามากค่ะอันนี้แฟนแกบอกมาพอกินเสร็จแกก็หลับไปสัก30นาทีตื่นมาเหมือนกับว่าหน้าแดงคนเดิมกลับมาแล้วพูดคุยอะไรได้ตามปกติแฟนของหน้าแดงเนี่ยแกก็งงอะคะ่ะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ย ก็ยังป่วยสลืมสลือเป็นไข้เป็นอะไรแต่ว่าหมอเนี่ยก็บอกว่าร่างกายแข็งแรงแต่พอเอาอาหารอะไรอะไรมาให้กินเนี่ยแกก็กินไม่ได้นะพอตกดึกขึ้นมาลุกขึ้นมาแอบกินอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังถ้เรื่องแบบนี้เนี่ยบีก็เคยเจอเจอเคยได้ยินได้ฟังมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะเรื่องของวิญญาณเข้ามาแฝงในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเพียงเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็หิวโหยไม่มีใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะคะเมื่อไปประสบพบเจอกับมนุษย์ที่ดวงตกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีกรรมวิบากกรรมต่อกันอย่างนี้นะคะเขาก็มาแฝงร่างเพื่อที่จะขอกินนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากคุณธนากรค่ะซึ่งเป็นแฟนเพจพระเจอผีส่งเรื่องมาให้เราได้รับฟังกันประจาวันนี้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่อง ของคุณสกอตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมามีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนเย็นพวกพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้นัดกันไปหาหอยเป็นป่าชายเลนพวกหอยตาแดงแล้วก็หอยต่างๆนะคะจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เตรียมอุปกรณ์ไฟฉายที่คาดบนศรีรษะเรียบร้อยแล้วค่ะคาดถุงตาข่ายไว้ใส่หอยกันประมาณ6กคนรวมทั้งน้าชายด้วยพอไปถึงที่ก็ใกล้มืดแล้วนะคะ ก็เดินแยกย้ายกันไปคนละช่องทางของป่าโกงกลางแต่ว่าเดินไปในลักษณะของการเดินเรียงหน้ากระดานไปได้ไม่ค่อยไกลนะค่ะพอที่จะได้ยินเสียงเพื่อนโหดร้องแล้วก็หาได้เยอะแล้วเดินกันเพลินเลยแต่ว่าพี่วุฒิเนีคะเดินไปแล้วก็เกิดหลงทางร้องเรียกหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ขานรับซึ่งตอนนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เหลือบไปเห็นพี่จัก แวบๆนะคะซึ่งกำลังเดินอยู่ด้านหน้าก้มพวกหาหอยหาอะไรหยิบใส่ถุงเดินต่อไปพี่วุฒเนี่ยแกก็เดินตามมายิ่งเดินก็ยิ่งเจอหอยกันไปเก็บกันเพลินเลยล่ะค่ะทีนี้แต่ว่าแกสังเกตดูยิ่งเดินตามพี่จักก็ยิ่งห่างไปแล้วแกก็ร้องเรียกบอกจกักรอด้วยสิร้องเรียกพลางเดินเร็วพลางแล้วก็ ยิ่งเดินพี่จักก็ยิ่งเดินเร็วขึ้นจนกลายเป็นวิ่งห่างไปจากแกแกตกใจค่ะวิ่งตามไปร้องเรียกไปบอกจักรอด้วยรอก็ด้วยจักรอด้วยพี่จักก็วิ่งเร็วขึ้นนะคะทั้งที่ทางเดินนั้นนีนเป็นป่าชายเลนแต่ว่าพี่จักในวิ่งเร็วค่ะคุณผู้ฟังเสียงสีเท้านี่ดังสวบสวบสว บ, ส ว, บวิ่งฝ่าพวกต้นไม้เล็ก ที่น่าแปลกใจคือต้นไม้มันไม่มีอาการสั่นหรือว่าอาการไหวติงในลักษณะของการที่คนเดินเหยียบหรือว่าเดินย่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสกอตต์บอกว่าเรื่องของรอยเท้าที่พี่จักวิ่งไปเนี่ยมันก็ไม่ชัดด้วยแกก็กลัวสุดขีดล่ะคะ่ะซึ่งพี่วุฒิเป็นคนวิ่งตามไปไปจนสุดถึงคลองที่น้ากาลังขึ้นในขณะนั้นนะคะเพื่อนๆก็ได้ อ, อกรวมตัวกัน ะะก็คือกลับมารวมตัวกันนี่แหละแล้วก็เดินหาพี่วุฒิกันทั้งกลุ่มกังวลเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำแล้วก็เสียงว่ายน้ำนะคะก็เลยส่องไฟไปดูค่ะเห็นว่านั่นเป็นพี่วุฒิ แล้วก็เพื่อนที่ไปที่อยู่บนฝั่งเนี่ยก็รีบกระโดดตามไปคว้าตัวพี่วุฒิพี่วุฒิเนี่เหมือนได้สตินะดีใจที่เพื่อนๆนมาเจอกันกับแกแต่เอ๊แกตกใจเมื่อเห็นพี่จักตัวจริงนนยืนอยู่ในกลุ่มแล้วพี่วุฒิก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยวิ่งตามพี่จกักวิ่งหนีแล้วก็กระโดดลงไปในน้าฝั่งตรงท่ามแล้วนี่นาก็เลยตกใจว่าเนี่ยคงโดนเขาแล้วล่ะ กลุ่มที่เดินแยกแทบจะไม่ได้หอยเลยนะคะแล้วนักเกียรติแกเลยอุทานเป็นคําหยาบเลยค่ะบอกว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นคืนอะไรกันวะแล้วก็ดันมาเจอผีด้วยแกตะโกนไปฝั่งตรงข้ามบอกว่าไอ้ผีถ้ามึงแน่จริงเนี่ยมึงตามพวกกูมาให้ถึงบ้านนะหลังจากนั้นทุกคนก็เลยเดินทางกลับนะคะโดยการขึ้นเรือแล้วก็รีบซิ่งเลยนะคะเพื่อที่จะได้กลับบ้านอย่างรวดเร็วค่ะ ทุกคนในเรือนี่สังเกตดูกันไกลๆนะว่ามันมีอะไรว่ายมาในใต้น้ำด้วยความเร็วตามมาจนถึงท่าน้าใกล้บ้านค่ะทุกคนในเรือเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งหนีพลางหันไปดูสิ่งนั้นที่ว่ายตามมาเหมือนปลาตัวใหญ่ๆแต่พอมาถึงท่าน้ำดังกล่าวนะคะเสียงน้ำมันก็พุ่งขึ้นดังสู้ๆเหมือนคนโยนระเบิดหรือว่าวัตถุหนักๆลงไปทุกคนรีบวิ่งเข้าบ้านของคุณลุงค่ะ คุณลุงแกก็พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างแกก็เลยอุทานไปบอกว่าอุ๊บะพวกเองไปทำอะไรเขาไปท้าเขาทำไมเขาจะล่อพวกมึงเนี่ยเอาให้ตายเลยนะลุงเดินไปที่ท่าเรือที่จอดอยู่ในน้ำเหมือนมีคลื่นแรงมากจนเรือนี่ฟาดไปฟาดมาแล้วลุงก็ท่องคาถาอะไรของแกก็ไม่รู้ค่ะสักพักหนึ่งในน้ำก็สงบนิ่งไปตามเดิมแกกลับมาถึงแกก็ถามว่าเจออะไรมาพี่ๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอมา แกก็เลยบอกว่ามันปลอมเป็นไอ้จักมาล่อพวกมึงเพื่อที่จะพาไอ้วุฒเนี่ยไปแกบอกว่าถ้ามันพาข้ามไปฝากนูนสําเร็จเนี่ยเสร็จแน่ๆเลยเพราะว่าฝั่งนูนเนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าทึบคุณสกอตเองนะคะเจ้าของเรื่องเรื่องนี้เนี่ยทิ้งท้ายมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากบรรดาญาติพี่น้องนะคะที่เล่าให้ฟังกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลฝั่งหัวทางนะคะใครที่เป็นคนในพื้นที่อ่ะน่าจะอาพอจะรู้จักแหละนะฮะว่าตรงนั้นมันมีประวัติหรือว่ามันมีเรื่องราวเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะขอบคุณคุณสกอตด้วยค่ะกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ เรื่องสุดท้ายค่ะที่ถูกส่งเข้ามาโดยคุณปอมินนะคะจากทางด้านของ Facebook เช่นกันบอกว่าติดตามรับฟังพระเจอผีทาง YouTube มาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ชอบฟังเรื่องเล่าจากช่องนี้มากเวลาทำกันบ้านก็นั่งฟังไปด้วยขอบพระคุณมากนะคะ พอดีวันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะเล่าให้พี่บีฟังแล้วก็นำมาอออากาศอ่ะได้ค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ได้ฟังอ่าจากยายอูดยายจุไรในช่องของพี่บีนี่แหละแล้วพี่สาวก็เลยพูดขึ้นบอกว่าเออเหมือนเรื่องยายมิดเลยเนาะ ก็เลยถามไปว่าเรื่องเยมิดเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าได้ยินตอนเด็กซึ่งก็จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วแล้วแม่ก็เคยเล่าให้ฟังนะคะคือเรื่องที่แม่นี่เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าป้าของคุณปอมินเนี่ยนะคะก็คือเพิ่งจะได้ลูกสะภ้ายใหม่ๆน่าจะเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดคือลูกสะภ้าคนนี้เนี่ยก็จะเรียกแกว่าป้าเอ เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณห้าทุ่มจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังคือป้เอแกะทะเลาะ ก, ก, กันกับสามีค่ะแกน้อยใจสามีแกก็เลยเดินออกจากบ้านแกนมาที่บ้านของคุณปอมินแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่อยู่บ้านป้เอก็เลยเดินไปนั่งที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับบ้านหลังของแม่นะคะบ้านหลังนั้นนี่เป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังเก่าๆแล้วก็มีแคร่อยู่หน้าบ้านป้เอก็เลยไปนั่งอยู่ที่แคร่ สักพักหนึ่งก็มียายเจ้าของบ้านเนี่ยเดินออกมาใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงผมง ok ok, อกๆหน่อยนื่องนะคะยายคนนี้แกชื่อยยมิดค่ะแกก็ถามป้เอว่าเป็นใครมาจากไหนป้าแกก็เลยตอบว่าหนูเป็นสะพายบ้านใกล้ๆนี้ค่ะยายหนูออกมานั่งเล่นเยมิดแกก็เลยถามอีกว่าเอา้ามาอยู่กับยายไหมยายอยู่คนเดียวป้เอก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งสองก็คุยกันเหมือนคนปกติทั่วไปล่ะค่ะจนเวลาผ่านไปดึกดื่นค่อนคืนป้เอก็เลยขอตัวกลับ เยมิดเนี่ยแกก็เลยถามอีกนะฮะว่าไม่มาอยู่กับยายเหรอป้าแกก็ปฏิเสธไปจนบอกยายว่ายายไปนอนเถอะนะหนูก็จะไปนอนแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปไปนอนค่ะกลับบ้านใครบ้านมันแต่ว่าในระหว่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังป้าเอเนี่ยแกเดินออกมาจากบ้านของเยมิดยังไม่ทันที่จะพ้นบ้านของเยมิดดีเท่าไหร่แกก็หันกลับไปมองปรากฏว่าเยมิดเนี่ยแกเดินขึ้นบันได เดินขึ้นไปได้แบบไม่มีขานะคืออารมณ์เหมือนลอยขึ้นบ้านนะคะคือเห็นแบบนั้นแล้วป้าป้าเอแกก็วิ่งกลับจนถึงบ้านเลยเรื่องมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้พอแกเข้าบ้านแกก็รีบนอนแล้วก็มีเสียงเคาะที่หน้าต่างเขย่าประตู ที่บ้านของแกนะคะมันจะเป็นประตูกรงเหล็กนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเรียกชื่อแกเป็นระยะพร้อมกับเสียงเคาะหน้าต่างเสียงเขย่าประตูไปเอ้แกก็กลัวจนจับไข้หัวโกรนเลยล่ะฮะทีนี้ถึงขั้นแม่สามีกับญาติญาติรวมทั้งย่าของคุณปอมินเนี่ยนะคะต้องเดือดร้อนพาไปหาพระหาเจ้ารถน้ำมนกันเลยทีเดียว แม่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเยมิดเนี่ยแกผูกคอตายเพราะว่าแกอยู่บ้านคนเดียวลูกแกไม่ได้มาดูแลแกก็ยังคงน้อยใจอยู่นั่นแหละแกก็เลยคิดสั้นยังมีอีกนิดนึงนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องที่แม่กับพี่สาวเจอเจอมาด้วยตัวเองค่ะเป็นเรื่องของเยมิดนี่แหละวันนั้นเนี่ยแม่กับย่ากับพี่สาวไปเก็บผักที่หน้าบ้านของเยมิดแกก็บอกกันไปกันเยอะๆเลยนะผักที่บ้านเยมิดเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหสวยเลยทีเดียวขึ้นกันเยอะ ย่าก็เลยบอกแม่บอกเก็บผักอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้ย่าบอกว่าจะเอามาใส่แกงกินไปเก็บให้หน่อยจนตกเย็นค่ะช่วงโพลเผล่ฟ้ากำลังส้มๆแดงๆเลยทีเดียวหรือว่าเขาเรียกว่าผีตากพ่ออ้อมเป็นช่วงเวลาประมาณนั่นแหละนะคะแม่กับคุณปอมินก็นั่งคัดผักอยู่หลังบ้านลมก็พัดมาเอื่อยๆเชยๆแม่กับพี่ก็เลยพูดกันว่าเออลมเย็นดีเนาะก็นั่งคัดผักกันไป สักพักหนึ่งแม่ได้ยินเสียงแวววมากับลมนะคะเรียกว่าวอนวอนเสียงเรียกจากที่ดังแผ่วๆแหวแ ว, แวมาตามลมค่ะกลายเป็นว่าค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแม่ก็เงียบกลัวพี่สาวจะกลัวพี่สาวก็เงียบกลัวว่าแม่จะกลัวเหมือนกันจนได้ยินอีกไหมคะ แม่กับพี่สาวก็มองหน้ากันแล้วก็วิ่งเลย่ะทีนี้แม่บอกว่าแกนี่วิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงเย ม, มิดเรียกะ่ะลูกสาวแกที่ชื่อว่าป้าวอนแม่บอกว่ามันเป็นเสียงเย็นเยือกน่ากลัวนะคะทีนี้เนี่ยคุณปอมินก็เลยบอกว่าผมพิมพ์ตอนนี้นี่ยังแอบขนลุกอยู่เลย ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังลูกสาวของแกก็มารื้อบ้านไปถวายวัดแล้วสร้างใหม่แล้วด้วยนะคะก็คงจะเหลือเพียงแค่เรื่องราวความเฮี้ยนของเยมิดนี่แหละค่ะที่พอได้ฟังทีไรก็ขนลุกทุกทีเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้นะครับฝากเป็นประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวให้พี่บีนำไปเล่าสู่กันฟังนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บีขอบพระคุณมากค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจากทางด้านของแฟนเพจเจอผีนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้หรือได้ยินได้ฟังจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องก็สามารถที่จะส่งเข้ามาให้บีเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้ทางแฟนเพจพระเจอผีบน Facebook นะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีในคลิปนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบีด้วยแล้วก็ กดติดตามช่องนี้พร้อมกับการกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่บีอัพคลิปใหม่ๆลงมาคุณผู้ฟังจะได้คอมเมนต์ที่หนึ่งนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ